ห7จทำเหตุไว้ถึงวันหนึ่งจะต้องได้ผลตรงกันแน่นอนวงเล็บเปิด23มกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที10วงเล็บปิดแต่ละคนไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้ก็ได้ในนี้ส่วนมากไม่ได้เริ่มนับหนึ่งหรอกเคยสร้างเคยอบรมมาแล้วก็ต้องทำต่อบางชาติไม่เจอาศาสนาพุทธนะวางเวงในใจไม่ชั่วนะแต่วางเวงใจลึกๆมันไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ดำรงชีวิตแบบไร้ทิศทางไร้เป้าหมายก็เป็นคนดีอย่างที่โลกเขาเป็นนี่แหละแต่ใจลึกๆนี่วังเวงชาติใดเจอศาสนาพุทธนะค่อยคึกคักขึ้นมากระปี้กระเป๋าได้มาศึกษาธรรมะศึกษาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ศึกษาแล้วได้เอาได้เอานะต้องสู้นะสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนไฟไม่บ้านจะขนของหนีหรือเอาน้ามาดับก็ต้องเอาสักอันหนึ่งสู้ตายต้องสู้ไฟคือกิเลสนี่เอง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 ฉะนั้นภูมิของเราเป็นผู้มีใจสูงนะเราเป็นภูมิมนุษย์แต่พวกเราชอบทําตนเองให้เป็นอมนุษย์อย่างความโลภเกิดขึ้นเราเป็นอมนุษย์ชนิดเปรตเจ้าทิฐิเจ้ามานะเราก็เป็นอมนุษย์ชนิดอสุรกายชอบหลงชอบเผลอก็เป็นอมนุษย์ชนิดเดรฉานถูกความทุกข์ถูกความโกรธแผดเผาอยู่ก็เป็นมนุษย์นรกเรียกมนุษสนิรโยหรือเพลิดเพลินกับบุญไปเป็นมนุษย์สเทโว บางคนภาวานาโน้อมใจเข้าสู่ความนิ่งความว่างทำสมถะแนบนิ่งไปเรื่อยก็น้อมใจไปสู่โพรหมโลกดูสิทิ้งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้มีใจสูงนะไปเอาภูิอื่นๆซึ่งมีใจต่ำกว่าใจมนุษย์เป็นใจที่พร้อมกับธรรมะมากที่สุดแล้วพวกเรามีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นของยากฉะนั้นได้เป็นมนุษย์แล้วยังมีศรัทธาศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งหายากใหญ่ คนในโลกมีตั้งหลายพันล้านเดี๋ยวนี้กี่พันล้านไม่รู้คนที่จะมีศรัทธาศึกษาปฏิบัติธรรมมีนิดเดียวพวกเข้าวัดก็ยังพอมีนะแต่ส่วนมากเข้าไปหาอย่างอื่นไม่ได้เข้าไปหาธรรมะพวกที่ศึกษาธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติยิ่งน้อยลงไปอีกพวกที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี่นับตัวได้จากคนหลายพันล้านบีบบีบลงมาเหลือหลักสิบเหลือหลักร้อยพวกเรานี่บีบตัวเองเข้ามา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 แล้วเหตุกับผลจะต้องตรงกันด้วยทำเหตุคือสมาธิผลก็คือไปพรมโลกทำเหตุฟุ้งซ่านก็ไปเป็นเดรัจฉานทำเหตุโทสะก็ตกนรกเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าทำเหตุคือเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันจะวางมันวางของมันเองไม่ต้องอ้อนวอนให้วางนะวางเอง มันเหมือนแต่เดิมไปหยิบอะไรมาสักอันหนึ่งกามไว้นะไม่รู้ว่าคืออะไรวันหนึ่งแ ง, ง้มๆดูไปหยิบเอาขี้หมาขึ้นมาก็วางเห็นว่ามันไม่ดีถ้าเห็นกายเห็นใจนี้เป็นก้อนขี้หมาเป็นของไม่ดีมันจะวางวางเองนะไม่ต้องอ้อนวอนให้วางวางของเขาเองเลยขาดจะบัานตรงนั้นหน้าที่ของเราคือฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นสภาวะอย่าทาผิดสองอันอย่าเผลอเลื่อนลอยไป อย่าไปเพ่งเอาเพ่งเอาถ้าทำไม่ผิดนะมันจะรู้กายรู้ใจได้กายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ทั้งวันทั้งคืน